ขึ้นกังบวนก็ลำบากแล้วดีว๋นี้จึงไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นก็นเหมือนผูขึ้นภูเขาทั้งลูกอันละ่ะดูดีเสียงก็ไม่ออกแล้วเสียงก็เป็นอย่างนี้ะนะมีก็จะอาศัยอนีิสงส์เวลาพูดธรรมะธรรมโมที่ต่อจากนี้ไปเกาไม่มีอะไรนะเรื่องวิธีเข้าบรรษาเข้าแล้วนะอืมเอาเรียบร้อยแล้วสาหรับผู้ที่ ไปเข้าวัดของตนก็ไปทําทีหลังก็ได้เลยนะส่วะทางวัดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเสียงไม่ออกนะวันนี้นะ <c oughs> เสียงหมด <c oughs> หมดกําลังเสียงพูดไม่ออกละต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้แล้ะนะนี่ก็เริ่มแล้วนี่เสียงแหบเสียงอะไรไป <c oughs> วันนี้ไม่สบายด้วย ตั้งแต่ก่อนกลางคืนมาเมื่อชาวชันทางานเสร็จแล้วก็ไม่สบายปวดระบบมุดในร่างกายนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ละไปให้พระนวดเ้นในที่หนองกองแล้วก็ลืมกินยานะคือยานี่มันคือะอะไรพระราเธรตมดีอยู่นะ แต่มันลืมฉันยาละสําหรับเรื่องดูเรื่องยาก็ผมเยังไม่ได้เรื่องเลยมันเคยฟัดกันมาตั้งแต่ออกปฏิบัติยาเม็ดเดียวไม่เคยติดตัวเลยนะเวลาเป็นมานี้เอาเอากันเลยว่ะเวลาแจ้งเป็นไข้เราไข้มาจากไหนนั้นเวลามันหายมันจะเอาความหายมาจากไหนมันก็อยู่ในกายอันเดียวกันนี่วะทันนี้ก็สัดกันเลยนะเอากําลังใจล่ะ กำลังใจนี่สำคัญมากนะมันจะหนักขนาดไหนร่างกายใจไม่หวเนไไื้ข้ามไปได้ขนะ้ามไปได้เนเป็นอย่างนั้นนะคุณก็ต้องเวลาอยู่น้องผือนี่พนิสัยมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยเวลาเจ็บไข้มันพอแม่ครูอาจารย์นี่เอาให้พระเอายามาให้ฉัน เนดหนึ่งเอามาแล้วกำลังนอนไข่อยู่เนี่ยอยู่แคร์เล็กๆในป่านเอามาให้ฉันบอกไม่ฉันก็บอกงั้นเลยคงไม่ไม่เสียความเคารพในครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะเราเาาาคารพทำทำครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็กราบอยู่แล้วนั่นเอาตรงนั้นนะบอกไม่ฉันว่านั่นเอาทำเขาว่าเลยละ การต่อสู้กันเป็นเป็นธรรมันเอายาไมา่ฉันให้พระเอายามาให้ฉันเราบอกไม่ฉันพระงั้นก็ถือกลับไปอืถือกลับไปแตถึงท่านแล้วสักเดียวท่านมาเองนะพอ ม, ม, มาปั๊บเนี่ยไหนเป็นยังไงใขรนะท่านว่างั้น <laughs> แล้วครบคันดีนะ มันเป็นยังไงไข่หน่ า, นาจะไม่ยอมฟังยาเจียวเหลือท่นว่าทันพูดมีลักษณะแปลกๆอยู่นะยาทั้งหลายไข่ทั้งหลายทั่วโลกเขาฟังยากันเห็นทำไมไข่นี่นี้มันจะไม่ฟังยาเลยเอา้าเอา้าปุ๊ปปุ๊เอาอยามาให้เราเม็ดหนึ่งเอาเลยเดี๋ยวนี้หายเดียวนี้แหละยานี้ยา เทวดาสู้ไม่ได้นั่นเห็นเวลาท่านจะพูดอ่ะเอายานี่เทวดาสู้ไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้หาเดี๋ยวนี้เลยไอ้ยืน่นเข้ามานะก็ความกโลกูวาอาจารย์แล้วก็ต้องฉันให้ละเพราะฉันเสร็จแล้วก็ทั้งท่านทั้งเราไม่เคยถามถึงว่ายาฉันแล้วเป็นยังไงนั่นแหละเราก็ไม่เคยพูดถึงจนกระทั่งป่านนี้ใชเป็นอย่างงั้นแหละเพราะท่านรู้นีิสัยเรา เอาจริงนี่นะไม่ใด้ธรรมดาทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่โลล ะ, ละความโลล ะ, ละไม่ใช่ธรรมคือกิเลสทั้งนั้นความจริงจังในอดในธรรมถึงขั้นที่ควรจะเป็นขนาดไหนเอาทุ่มก็ลงไปทุ่มก็ลงไปเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> วันนี้เสียงไม่ออกนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหะ วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาภาที่อยู่ในที่ต่างๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาไม่ใช่เมืองเหมือนเมืองทั้งหลายนะพุทธศาสนานี้ในโลกนี้มีศาสนาเดียวผู้ตามเหตุตามผลตามหลักความจริงไม่ได้ดูถูกเหยียบย่มศาสนาใด ผู้ ด, ด้วยการพิสูจน์ปฏิบัติตามเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นศาสนาพุทธคืออย่างผู้ที่บําเพ็ญตามและปฏิบัติตามมันให้ถึงความพ้นทุกข์และรู้ได้จริงจริงจึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาของท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ก็คือองค์ศาสดา เป็นผู้สิ้นกเกลียดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในพระชัยแล้วนําธรรมมาสอนเมื่อศาสนาเหล่านั้นก็เป็นหลักธรรมชาติเพราะตามความจริงของเขาศา ส, สนาใดก็มีแต่ครั้งกเกลียดเป็นเจ้าของศาสนาไม่ใช่ผู้ครั้งแห่งธรรมเป็นเจ้าของศาสนาผู้เป็นเครั้งแห่งธรรมเป็นเจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าของเรา กิเลสแม่เมตินแม่ทายไม่มีเลยมีแต่ทรรล่นล้วนในพระไทยการแสดงออกของพระพุพทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงแสดงถูกต้องแม่นยาที่เรียกว่าสวาารธรรมตราดไว้ชอบแล้วดังที่สวดกันอยู่ทุกวันนี่ว่าสวาาโตัวพระกวตาธรรมโมเนี่เป็นต้นนะพระธรรมอันพระผูทธภาคเจ้าจตรัสไว้ดีแล้ว ชอบแล้วไม่มีอะไรบกพร่องเป็นธรรมที่สมบูรณ์แบบออกมาจากท่านผู้สมบูรณ์ในธรรมทั้งหลายแล้วคือพระพุทธเจ้าจึาางมีศาสนาเดียวพูดตามหลักความจริงมีนอกจากนั้นเจ้าของศาสนาเป็นกลางคิเลสคือเป็นคนมีคิเลสอยู่เหมือนท่านท่านเราเราการสอนจะไม่พ้นจาก ยิเลสที่จะนําหน้านําหน้าสอนสอนด้นด้นเดาเ ด, าดาเกาหมัดไปอย่างนั้นหาความจริงไม่ได้บางทีคือชอบใจอย่างไรก็สอนไปว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ถูกไม่ชอบใจก็ว่าสิ่งนั้นผิดไปอย่างนั้นก็ได้เรื่องของกิเลสต้องเป็นเข้าตัวเองเสมอไม่ได้เข้าความจริงเหมือนธรรมธรรมเป็นหลักความจริ ง, งนี่พระพุทธเจ้านี้ แสดงเป็นหลักความจริงไม่เอียนไม่เอียงอากติไม่ไ ม, ไม่เป็นความจริงล้วนๆจรงเป็นศาสนาฉั้นเอกที่มีศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จะลื้อขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากทุกเป็นลำดับลำดาจากการบำเพ็ญของตนจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดี การเจริญเมตตาภาว น, นาก็ดีล่วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำเพ็ญความดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าที่ทรงสั่งสอนไว้ั้นด้วยความถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติก็ดำเนินตามนั้นคือเรียกว่าสวขาจาธรรมทางสายนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงพระนิพพาน ไม่นอกเหนือไปจากทางคือสวดคาถมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ได้เลยนี่เรียกว่าศาสนาของท่านผู้รู้ของท่านผู้วิเศษท่านสอนอย่างนั้นอันนี้เราเป็นชาวพุทธนับว่ามีวาสนาเอาใครจะพบได้ง่ายๆหรือเรื่องพุทธศาสนาในโลกนี้ก็มีพุทธศาสนาแห่งเดียวการพูดทั้งนี้เราพูดตามหลักความจรงิง เลือกเฟนไปหาที่ไหนท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านอืก็เป็นอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาเหล่านี้ไม่ได้เหมือนอืมเพราะฉะนั้นในสามเดือนโลกธานนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายตึงยอมกราบพระพุทธเจ้ากราบคำของพระพุทธเจ้าได้สนิทติดใจตลอดมาตั้งกลับตั้งกันแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ จะมาตรัสรู้ก็ตรัสรู้แบบเดียวกันคือข้าฝันจิเลตให้ขาดสะบั้นลงจากพระไยัยกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นโลกวิถูรูร้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกคนโลกผีโลกนรกอเวกีโลกสวรรค์ชั้นผมจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีปิดบงังลี้หลับในพระไถย ที่ทรงอย่างทราบแล้วเลยถึงเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนานโลกวิถกรู้แจ้งโลกนอกโลกใหนหมดไม่มีโลกไหนที่จะปิดบังลี้รลับพะยานของพระองค์ไม่อย่างทราบได้อย่างทราบได้ทั้งนั้นแม้นนะโลกอวิีที่สัตว์ทั้งหลายตกอยู่นั้นะตกมามาจาก สัตว์มีกี่ประเภทในนรกหลุมหนึ่งหนึ่งนั้นน่ะแล้วในหลุมหนึ่งหนึ่งนั้นมีสัตว์จำนวนมากมายกายกองตัวเองก็ไม่ทราบว่าในสร้างกรรมอันใดจึงได้มาตกนรกหมกไหมเช่นนี้ไม่ว่านั้นสัตว์นรกตัวใดในนรกหลุมไหไม่มีสัตว์นรก รายใดเลยที่จะทราบได้ในกรรมของตนว่าได้ทำกรรมนั่นไว้นั่นไว้นั่นไว้จึงได้มาตกนรกหลุมต่างๆกันสเสวยทุกข์ทรมานหลักเบาต่างกันอย่างนี้ไม่มีใครทราบแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบได้ตลอดตัวถึงในสัตว์แต่ละลายละลายได้สร้างกรรมอะไรไว้กรรมอะไรไว้ หนักเบามากน้อยเพียงใดพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบด้วยพยานหมดไม่มีคําว่ามจะมาลี้ลาบต่อพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าได้เลยนี่จึงสมควรอย่างยิ่งที่เป็นาศาสตราเอกของโลกการพูดถึงเรื่องนรกนเราพูดเพียงย่อเป็นเอ ก, กเทศนรกหลุมใดก็ตามสัตว์นกรกลายใดก็ตาม ที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงทราบสาเหตุแห่งกรรมที่เขาทำกันมากันมามากน้อยนั้นไม่มีทรงทราบตลอดตัวถึงแม้แดนสวรรค์พร ม, มโลกจงขึ้นถึงนิพพานก็เช่นเดียวกันทรงทราบตลอดตัวถึงว่าเทวุตเทวดาเหล่านี้อยู่ชั้นนั้นชั้นนั้นจนถึงพร ม, มโลกว่า ได้สร้างกรรมดีว่ะการใดบัางถึงได้มาสเสวยสมบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆกันนี่ก็ทรงทราบโดยละเอียดทั่วถึงตามกรรมของวาสนาของผู้ที่สร้างมาเช่นอย่างไปสวรรค์เอาชั้นนี้มีกรรมบุญกรรมและเพียงเท่านี้ชั้นนั้นนั้นแล้วผู้สเสวย สมบัติของตนตามอำนาจวาสนาบุญญาพิสมภานที่ตนได้สร้างเอาไว้นั้นมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจา้าทรงอย่างทราบตลอดตัวถึงสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสอ ง, ช, สองชั้นสามจนกระทั่งพรหมโลกซิหกชั้นเป็นชั้นใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงทราบของพวกถวยเทพทัางหลายเหล่านั้นว่าได้สร้างกรรมอะไรไว้ยิงต้องมาเสวย ต่างๆกันอย่างนี้แม้สวรรค์พร ม, มโลกก็การเสวยกรรมก็ต่างกันหนักเบาต่างกันเช่นจาตุมเป็นชั้นหนึ่งของพวกเทพชั้นปรินิมิตวสาวดีเป็นชั้นสูงสุดของเทวดาวาสนาสูงสุดในชั้นนั้นก็ได้ไปอยู่ในชั้นตั้งแต่จ่าตุมขึ้นไปหาปรินิมิตวสาวดีชั้นที่หกเหมื อ, อนกันหมด จะนอกเหนือไปข้ามรั้วข้ามลาวข้ามสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเกิดตามความต้องใจต้องการของตนอย่างนั้นไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้พาไปกรรมเป็นผู้พาเกิดท่านถึงสอนไว้ว่ากรรมนัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะมีอำนาจมากเหนือกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยนั่น ใ, ใครจะทํากรรมชนิดใดก็ตามอํานาจแห่งกรรมจะปกครองหรือบังคับไว้ได้ ท, ทุกกรรมไม่เหลืออํานาจแห่งกรรมนี้ไปได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีอ ใ, ให้ละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตนแล้วตั้งใจละสิ่งที่ชั่วช้าละโม ซึ่งเป็นภัยแก่ผู้สร้างผู้ทำนั่นแหละเหมือนเหมือนกันกับสร้างความดีนี่ผู้นี้เมื่อเป็นเช่นั้นก็ได้ไปทางสู่ทางความดีความดีก็มีหลายขั้นหลายภูมิความดีในชั้นสวรรค์ชั้นนี้กับพวกเทพทั้งหลายชั้นนี้พอเหมาะพอดีกับเทพรายนั้นๆที่จะไปเสวยสมบัติในกรรมของตนอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้น จงกระทาั่งถึงพรหมถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วจากนั้นไปถึงพรหมโลกกรรมวิการพวกเท้ามหาพรหมทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็เป็นผู้สร้างความดีงามมาเช่นเดียวกันหมดจะต้องไปเกิดในสถานที่เหมาะสมกับกรรมผลแห่งกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยจะก้าวการะหันกันไม่ได้เพียงเรียกว่าทำไม่ลำเอียง กรรมไม่ลำเอียงใครทำได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกรรมของผู้ทํานั้นดีก็ตามชั่วก็ตามก็ชื่อว่าได้ทำลงไปแล้วแล้วกรรมนั้นจะตามให้ผลอ่นจึงสอนให้ละกรรมชั่วละมัดระวังกรรมชั่วพาะทำลงไปแล้วเป็นภัยแก่เราเองการทำชั่วก็คือทำลายตัวเราเอง การทำดีก็คือบำรุงส่งเสริมตัวเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลก็ได้ต่างๆกันไปไม่ใช่ว่าไปเกิดลอยๆยพวกตกนรกก็ตกอย่างลอยลอยไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีเหตุมีผลไม่มีสักขีพยานแห่งการทำของตนแต่อยู่ๆแล้วก็ไปตกนรก เ, เฉยๆนี่ไม่มี ในคติธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องท่านสอนไว้ตามหลักความเป็นจริงใครจะลูบจําได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามการทําลงไปแล้วเป็นอันุว่าธรรมทั้งดีทั้งชั่วเหมือนการบดคือผู้ทำจริงต้องระมัดระวังรักษาให้ดีนี่เราเกิดมาเดนพุทธศาสนานี้นะว่าเรามีวาสนามากแล้ว มีทั้งเพศของพระมีทั้งเพจของคราวาที่อาศัยความร่มเย็นจากกันและกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาตึงให้ความร่มเย็นแก่โลกเช่นชาวบ้านก็มีพระมะบวชเข้ามาในพุทธศาสนาพระที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกพระต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้ความร่มเย็นแก่ตนอบความอบอุ่นแก่ตนด้วยกน การสร้างคุณงามกลมดีเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปโดยลําดับนี่คือการสร้างความดีแก่ตนให้เป็นความอบอุ่นอยู่ที่ไหนก็ตามศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจนกระทั่งศรัทธาวีมุตแล้วก็เรียกว่าธรรมก็าไปอีกวัดธรรมจะเป็นสมส า, าธรรมมิปัตตนาธรรมรวมแล้วเรียกว่าพระธรรมวินัย พระวินัยก็คือศ า, ศาสตาองค์เอกองค์เอกพระธรรมก็คือศาสดราองค์เอกศาสตาองค์เอกทั้งสองประเภทนี้แหละที่เป็นที่ยืดพึ่งเป็นพึ่งตายของพระของคารวาะเราแต่พะอย่างยิ่งพูดถึงพระผู้บวช้ามามุ่งต่อมรุญโหนี่พานอย่างสูงสุด เขาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลสาธรรมของตนให้ดีชีวิตจะขาดไปก็ขอให้ขาดไปเขาไม่มีศีลเขากระตายได้เช่นเดียวกับเราแล้วมีศีลมีธรรมจะไปกลัวตายด้วยการสร้างความดีนี่ได้อย่างไงอือเราต้องตั้งใจปฏิบัติศีลมียกับผู้ใดนั่นแหละคือศาสดาองค์เอกอยู่กับองค์นั้นศีลก็คือพระวินัย พระวินัยก็คือองค์ศาสดาธรรมก็ตั้งแต่เธนสมถธรรมมีปัสนาธรรมขึ้นไปเริ่มตั้งแต่พุทธโธธรรมโอสังโฆเรานํามาบริกรรมเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งนั้นจนเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความสงบใจแล้วจากนั้นก็เป็นสมาธิจิตใจแน่นหนามั่นคงเป็นวิปัสสนาทางด้านปัญญาความ ชิดความอ่านแตกแก่กล้าสามารถพิจารณาค้นลกคนลกายทั้งตัวเขาตัวเรารวมแล้วคน้นทางโลกธาตุในโลกอ น, นิจจังทุกข์อ น, าานัตตาในวันมีครบท้วนเราพิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้ให้ครบท้วนเพราะเรายึดถือสิ่งเหล่า น, นี้เต็มหัวใจเราเมื่อต่างคนต่างพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเพาะอย่างยิ่ง ดังอุปชาท่านว่าอไพว่าเกสาลุมาณขาทันตาตาโจนี้แหละเป็นภูเขาหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใลภูเขาทั้งลูกเขายังทําลายให้แตกกระจายเอามาทําประโยชน์เส้นถนนผนทางหรือสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการใครทําลายได้ภูเขาแต่ภูเขาภูเหล่านี้ไม่มีใครสนใจทาลาย มีใจส่งเสริมขึ้นมาให้สวยให้งามให้มีความแน่นหนามั่นคองอันนี้จังเต็มหัวอยู่ก็ไม่ใชกว่าจะเต็นจะตายอะไรประหนึ่งว่าไม่มีปราชาคนหูหนวกตาบอดเป็นอย่างนั้นไม่วงอัดวงธงทมเพราะนั้นท่านถึงให้สอนสิ่งเดียวนี้ให้เป็นอุบายของสตปิปัญญาสมรรถธรรม เมื่อจิตยังไม่ได้รับความสงบเราจะเจริญเจสังกรรมฐานห้าคือเจสาลูมานะขาธันตาตะโจนี้เป็นคำบุญกรรมเพื่อเป็นสมถะธรรมได้ทุกคำได้ทุกบทในเจสารุมานะขาธันตาตะโจเมื่อมีจิจสงบแล้วเราจะนำกรรมฐานทั้งห้า คือเกษารุมานขา ะ, ะทันตาปะโจมาเป็นหินรับปัญญาเอาเกษารุมานขา ะ, ะทันตาปัจะโจนี่แหละเป็นหินรับปัญญามินิพพิจนาขับไปกลับมาข้างบนข้างล่างด้านขวาสถานการตลอดทั่วถึงในสกุลกายของเขาของเราแล้วจิตของของเราก็จะสว่างสวยขึ้นมานี่ อารมณ์มีเกษาโรมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาในเบื้องต้นก็อาศัยกรรมฐานห้านี้เป็นสมถะเครื่องกล่อมใจให้ใจได้อาศัยกรรมฐานห้านี้บวดใดตามแต่เจ้าของจะชอบใจหรือพิจารณามันจะซืมซาบไปหมดทั้ง ห้าอย่างหรือซึมซาบตลอดทั่วถึงในสกุลลกายเหล่านี้ก็เป็นเากรรมฐานด้วยกันก็ให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปจนใจมีความสงบร่มเย็นร่มเย็นไปโดยลำดับเมื่อย่มเย็นจิตมีฐานแห่งความสงบและกายไปค่อยก้าวขึ้นสู่สมาธิสมควรแจกรังด้านปัญญาแล้วก็เอากรรมฐานทั้งห้านี่แหละเศสาโรมานาขาตันตาตะโจ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไสู้มงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มสลรพาดร่างกานี้แยกออกมาเป็นวิปัสนาที้ขายดูให้เห็นชัดเจนสิ่งเหล่านี้ในตัวของเหล่านี้มีอะไรที่มีความสะอาดสวยงามที่น่าติดปัญ น, นาละใครชอบใจมันมีตรงไหนตั้งแต่ผิวหนังก็ยังมีขี้ขายเป็นเหงื่อเป็นขี้ขคยเริ่มแล้วตั้งแต่นี้ เข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีตั้งแต่ส้วมแต่ฐานของพุทธกุลเต็มตัวมนุษย์เราอแล้วเอามนุษย์นี่อวดใครว่าเป็นความสะอาดเป็นคนสะอาดมันเหมือนเหมือนกันกับสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปแต่สัตว์ทั้งหลายเขายังไม่มีความสามารถที่จะขี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นประโยชน์ทางด้านสติปัญญาเพื่อคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปเท่านั้นท่านจึงไม่ได้กล่าวถึงสัตว์ ท่านมากล่าวถึงผู้ที่มุ่งมั่นต่อแดนพระผูนี้ผ่านเช่นนักบวชเราโยเกศาโลมานี่ให้เลยเอานี่แหละสนามรลกกับกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เยสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่ภูเขาลูกใหญ่โตที่สุดอะไรจะมาทำลายภูเขาลูกนี้ไม่ได้นอกจากธรรมคือมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นเท่านั้น ด้วยความเพียรเป็นเครื่องหนุนความอดความทนความอุตสาพยายามเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมีสติปัญญาเป็นเครื่องพาก้าวเดินนี่เท่านั้นเมื่อคลี่คลายไปหลายครั้งหลายหนสิ่งเหล่านี้ที่เคยเป็นอารมณ์แห่งสมถะคือทําใจให้สงบอิ่มอารมณ์ไม่แส่สายไปแล้วก็นาความสงบนี้ไปทํา งานทางด้านปัญญาคลี่ใครดูทั้งผมขนเล็บฟันนี้เนี่แต่ก่อนเราบริกรรมให้เป็นความสงบที่นี่ที่ใครสิ่งเหล่านี้ออกให้เป็นทางด้านปัญญาเอาตั้งแต่ผมขนเลยบฟันหนังเนื้อเองก็ดูเข้าทะลุเข้าไปหมดในสกล ร, รากายนี้ไม่มีอะไรเป็นของสวยงามไม่มีอะไรที่อยู่ที่อาศัยจะสะอาดสะอาขนาดไหนขัดถูกัน้วย อะไรก็ตามราคารา ค, ราคาผูกบ้านผูกเรือนหลังหนึ่งมันเท่าไหร่ราคาของมันเป็นกี่ล้านกี่ร้อยล้านเอามาผูกมาสร้างขึ้นแล้วเพื่อป่าช้าผีดิเพื่อศ พ, พอคนเป็นนี่แหละไปอยู่ที่นั่นเห็นจะเป็นใครที่ไหนไปตัวของเหล่านี้แหละเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนตัวนี้คือตัวโซกับโบ้านเรือนจะ ลูกสร้างขึ้นสวยงามขนาดไหนตกแต่งให้ดีขนาดไหนก็ไม่พ้นความสกโปกที่ร่างกายตัวสกปปกอันใหญ่หลวงกว่าช้าผีดิบซากผีดิบนี้เข้าไปคึ้นคาเขาทำลายจึงต้องได้ซักได้ถูจึงต้องได้ช้าได้ล้างขัดถูกันตลอด เ, เวลาย่นเข้ามาหาร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ก็คือซากผีดิบต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสง อยู่อย่างนั้นตลอดแม้เสื้อผ้าที่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนก็ต้องได้ซักได้ฟอกได้ซักได้ฟอกได้ชะได้ล้างบ้านเลือนที่นอนหมอนมุ้งถ้าร่างกายมนุษย์นี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งนั้นจะสะอาดขนาดไหนก็ตามกลายเป็นของโสโปรกประจงตามกันหมดต้องถูกชะถูกล้างเหมือนกันกับร่างกายตัวโสโปรกนี่แหละนี่ท่านให้พิจารณาอย่างนี้เหน่ย นี่ละการที่จะมาพิจารณาเพื่อจะปล่อยวางสิ่งอ่อนนี้อันเป็นภาระอย่างหนักอึง้งทีเดียวภูเขาไม่ได้หนักเท่าภูเรานี่นะภูเรานี้หนักมากแต่ไม่มีใครทำลายมีพระพุทธเจ้าเลนสาวกทั้งหลายเท่านั้นเป็นผู้ทำลายแต่ก็จะกระจาย ไม่มีชิ้นใดต่อกันว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสุดสวยงดงามพอจะยืดถือแบกกล้องทุบเข้ามาจากอุปทานความถือสิ่งเหล่านี้หมดไปโดยลำดับจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ขาดไปหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนี้ก็เป็นธาตุธรรมดาก็คือธาตุฝีดินน้ำลมไฟะติปัญญาแก่กล้าสามารถสลัดออกได้ <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือภายในใจจิตใจก็ยิ่งสง่างามขึ้นเป็นลำดับเริ่มต้นตั้งแต่ภาวนาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เป็นคำวิกรรมจิตมีฐานสงบขึ้นมาแล้วก้าวเข้าสู่สมาธิแน่นหนามันโง่งขึ้นไปทีนี้ก็ออกปัญญาพิจนาชาล้างสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้วันโขกระโปกอยู่ตรงไหนสติปัญญา ผ่านได้หมดชาล้างได้หมดไม่มีน้าใดเมันที่จะสะอาดสา้านมีความสามารถชาระล้างสิ่งที่โสโปรก ค, คือกิเลสนี่ได้เหมือนธรรมสติธรรมปัญญาธรรมชาล้างเข้าไปได้หมดชาล้างเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นจิตบริสุทธิ์พุทธโธเต็มดวงกิเลสคือความสโสโครกขาดสะบันไปจากใจกลายเป็นพุท ธ, ธะขึ้นว่าชักดวนี่แหละท่านว่าตรัสรู้ธรรา จากการชาลากด้วยกรรมฐานของเราที่นับประจากอุฒิชาว่าวเกสาลุวาแลขาถตา ต, ตะโจนเนี่ยให้เอาระวัพิณิพีจารณาตั้งใจอกตั้งอกตั้งใจทำนี่เราพูดแต่เพียงย่อๆไม่พูดกว้างขวางอย่างนี้า่ทั้งธาตุขันและเวลามเวลาจะไม่อํานวยสําคัญก็คือธาตุขันแล้วเวลามเวลาอัรรมนั้นพอพูดกันได้ แต่เรื่องทาสการนี้อ่อนลงอ่อนลงทุกวันจึงพูดได้เพียงย่อๆขอให้ทุกๆท่านได้นำไปพื้ปฏิบัติพระเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะตักตัวงอามพระโหนี่ผานได้ก่อนผู้อื่นผูใน้ใดเพราะหน้าที่การงานไม่มีประชาชนญาติโยมเขาสู้เป็นอุปธรรมปถะเลี้ยงดูตลอดตัวถึงไม่มีอะไรบกพร่อง ไม่ว่าที่อยู่เจียสัยสวงจีวรเครื่องใช้บริขารทั้งหลายนี้มีเต็มบ้านเต็มเมืองศรัทธาผู้ที่บริจาค ก, ก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองเขาอยากจะศรัทธาอยากกระไแต่พระน่ะไปตีข้อมือเขาไม่เขาศรัทธาก็คือพระนดูพระน่ะเหมือนเปรตเหมือนผีไม่ได้เหมือนพระเหมือนพระของศาสด า, ศาพระนี้กลายเป็นโจรเป็นวานเข้าไว้แล้วปัจจุบันนี้เห็นได้อย่างชาัดเจน บวชเข้ามาเอาพระเป็นผ่าเหลืองไม่ว่าท่านว่าเราพูดให้เสมอหน้ากัไปหมดแม้ที่สุดผู้เทศก็ต้องถูกธรรมะเคกเหมือนกันนี่แหละเราเอาธรรมะมาเคกมาสับมายำ ม, มาชามมาลางในเวลาบวชเข้ามาแล้วแทนที่จะสั่งสมวัฒนธรรมชำระกิเลสให้สิ้นไปจากใจใจจะเป็นของสะอาดกลายเป็นเป็นผู้สั่งสม ได้ลาบได้ยดศได้เสริญย่อทั้งๆท่านพระเจ้าท่านสอนให้เสียสละหมดผู้บวชนี้เป็นผู้เสียสละนักเสียสละไม่มีใครเกินนักบวชแวที่สุดพระราชาปหากษัตริย์แับวพระพุธทธเจ้าของเราพอเสด็จออกทรงบวชสลัดบทไว้ปีปากบทเลยว่าพระพุธทธเจ้าของเรานี่ย้อนเข้าไปมีความอะไรอาวรณ์อยู่กับ สมสานับพระราชาวังหรือความเป็นพระเจ้าแผ่นดินตายหมดไม่มีอะไรเหลือเห็นแต่ทำทั้งแทงที่เป็นธรรมอันประเสริฐเลื่อนเลยในพระไทยเท่า น, นั้นจึงต้องพยายามไปบำเพ็นสละเป็นสละตายลูกใครเมียใครบริสัทบริวารของใครใครจะไม่ละใครจะไม่ห่วงใหญ่ชิาสาราจุ ม, มาลท่านก็เป็นคนเหมือนเก่าแต่ขวนเหล่าท่านมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลีญมี คนใยาสามีเส่นเดียวกับเราทําวยสั้นสละได้นั่นแหละหัวใจท่านเด็ดสร้างเด็ดต่อมักผลนิพานซึ่งเป็นสมวัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยกฎอนิจจังอนุขังอนัตตาอสุภะสุผังอันควรทำอันนั้นไม่มีที่ท่านมุ่งต่อทำนั้นจึงในอุตสาพยายามออกไปสละหมดพระสละหมดสากยบุตรเป็นอย่างนั้นวันที่วัด ต, ตนเพื่อละเพื่อนั้น การเดินการเดินการนั่งการนอยมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาศีล ส, สมบูรณ์ตลอดเวลาเท่ากับตามสเสด็จพระพุทธเจ้ า, าอยู่ตลอดเวลาในญาบททั้งสี่ยืนยืนได้ดังดอกเบ็ดตลับเทอดได้เป็นผู้ตามสเสด็จพระพุทธเจ้ า, าด้วยความมีสติรักษาศีลศาธรรมของตนอยู่ตลอดไม่ให้ห่างเหินอย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าคือใคร ก็คือพระธรรมและพระวินัยพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นจัตดาของเธอทั้งหลายแทนเราตาตาโคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อใครมีเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งศีลทั้งธรรมให้สมบูรณ์ในจิตใจความประพฤตินหน้าที่การงานอยู่ในวงของสมณะที่จะบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้ดีจากหน้าที่การงานนั้นๆเอผู้นีน้แหละเป็นผู้ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวพระพุทธเจ้ามาในนิพพานก็ทําวินัยอยู่กับเรานิพพานไปไหนท่านประกาศหรือมอบให้แล้วว่าทำและววินัยนั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือสมบัติอน น, นุค้านี่แหละเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้จัแนะนําสั่งสอนท่านทั้งหลายแทนเราตระสาโคตรนะั่นเรานี่ก็มีแต่ร่างกระดูกเหมือนกับท่านทั้งหลายนั่นแหละ เอาของวิเศษวิสโสอะไรสิ่งที่วิเศษวิสโวสเราจะสาคูดได้มอบให้แล้วคือพระธรรมพระวินยัยให้ตั้งใจรักษาอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยวางเรื่องศีเรื่องธรรมจะเป็นเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาหรือมีพระพุทธเจ้าติดตัวติดตัวพุทธังทําวังสังขังสันนิษฐานไม่ติดตัวตลอดเวลาจากการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีของเรานี่ตัางหากนะเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ปฏิบัติ ดีนี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจากนั้นก็มักผลนิพานเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญามิจฉาบิมุตจะอยู่กับการพื้นปฏิบัติดีปฏิบัติเจ้าของเราแล้วก็รวมมาศาสนาก็อยู่ที่ตัวของเราตามสเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาด้วยความประพฤติดีงามของเราจากสีสมาธิปัญญาก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปเรียกว่าติดตามสเสด็จพระพุทธเจ้า ด้วยความภาคเพลี่ยนไม่ละไม่ท้อไม่ถอยมีความขยันวันเพียรพระพุทธเจ้าพาตายตายเอาพระพุทธเจ้าจะพาสัตว์ตกนรกมีเราเป็นต้นเอาให้ตกศาสตราองค์เอกสอนโลกให้ตกนรกที่ไหนมีมีแต่ชีเลตเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้ตกนรกหมู่ไม้ตลอดมาเราเป็นลูกศรตราคตรมีแต่จำรานล้างออกไปทําให้สมชื่อสมนามของพระนาะ เราวอดเป็นพระเป็นสากยาบุตรมาแล้วเช่นเดียวกับสากยาบุตรในครั้งพุทธกาลคือลูกตาขาคตเหมือนกันหมดศีล ส, สมาธิที่มอบให้ลูกให้เจ้ามาเป็นมรดกอันเลิศเลอ ก, ก็เหมือนกันหมดการมาเพื่อปฏิบัติของเราให้สมศักดิ์ศรีกับธรมและศีลที่ท่านมอบให้แล้วยาวความเลื่อเลเอเถอเถอไปอัคาเขาไปเหยียบย่ำทำลายของศีลทำลายศีลธรรมมันจะกลายเป็นพระเลื่อเลเอเถอเถอ พระควรว่านกวรเมืองพระโศกระโกโดยอาศัยผ้าเหลืองคุมหัวแล้วก็ยิ่งมียศมีลาบขึ้นมาในหัวใจแล้วสั่งสมกีเด็ขึ้นเลยแทนที่จะละทิเล็ทั้งหลายสั่งสมธรรมขึ้นมากราบกลายเป็นธรรมไม่มองธรรมไม่เหลียวแลหัวใจไม่มีธรรมมีตั้งแต่ความโลภราคาตัญหาเต็มอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธให้ได้สมใจ ไม่ได้หุมใจใครมาขวงไม่ได้ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าไม่ได้จ้างให้ไปฆ่าเห็นไหมภาคสมัยปัจจุบันนี่มีเวลานี่พระเป็นมหาโจรพรับอยู่ในกลางผ้าเหลืองนี่แหละกลารพุทธศาสนาเป็นท่านเป็นเราหรือเป็นใครสอนด้วยกันทั้งหมดอยู่เวลานี้ไม่ได้สอนว่าคนนั่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีใครทำผิดเป็นแบบเดียวกันหมดนี่พระพรวุทธาสอนไงละเดี๋ยวนี้มันสังสมสั่งนั้น ลาบก็ให้ได้มากกว่าเพื่อนสุกสิ่งกหลับยศสรรเสริญยืนย่อให้ได้กว่าประชาชนเขาซึ่งเขาไม่ได้ประกาศตนว่าเสียสละอันนี้ประกาศตนว่าเป็นนักเสียสละแล้วกลายเป็นผู้สังสมสิ่งโส ก, กสมโปโสมมทั้งหลายนี้เข้าสู่ตัวเสมอเสมอเมื่อนี้นก็เป็นพระโสกโป พระทำลายชาติทำลายาศาสนาว่านเมืองจะไม่มีเหลือแล้วประชาชนญาติโยมเขาจะกราบที่ไหนไหว้ลงคอไหว้ไม่ลงอืมจะตั้งเป็นขนาดไหนจะหลวัดดาวเทียมหมามันก็ไม่ไหว้เรายอย่าว่ามนุษย์จะไหว้เลยนะก็ชัว่วก็เห็นกันอยู่นี่เมื่อดีแล้วอยู่ที่ไหนใครไหว้ไม่ไหว้ใครนับถือไม่นับถือก็ตามทำกับเราเป็นเดียวกันแล้วมีความอบอุ่นตลอดเวลาให้ยึดข้อนี้ให้ดี อย่าไปเป็นว่าโลกธรรมโลกธรรมคือมีลาบมียศในลาบในยศมีเตเสื่อมเสียไปทางนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าพากันดีกันดินถ้าเป็นของดีพุทธเจ้าจะสั่งสอนแล้วว่าลาบยศจะนิเสิร์นโลกธรรมแปเอาเข้ามาให้เต็มหัวออมันเผาคนให้ตกนรกทั้งเป็นนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพราะกครูศัสกยบุตรนี่มันจะตกนรกกันทางนั้นถึงขนาดนั้นมันยังปีนลงไปจะไปลงนรกด้วยความโลภมาก มีได้ได้ลาบได้ยศ ไ, ได้ความสรรเสริญเยินยอปีนเกลียวกันไปลูกคลี่ลูกหล่นไ ม, ไม่มีใครเกินพระที่มีความโลภมากไม่มองดูหน้าพระพุทธเจ้าเลยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยการฝ่าฝืนหลักธรรมหลักวินัยทำวินัยไม่สนใจแต่เรื่องกิเลสเอาได้วันยังค่ำคืนยั่งลุงทีเดียวนี่แหละมันเสียมากพระเรายิ่งเร็วลงทุกวันนะ ใจเลวลงทุกวันทุกวันมีแต่ผ้าเหลืองใครจะไปกราบได้ลงของง่ายๆถ้าความประพฤติไม่ดีความประพฤติ ด, ดีเจ้าของดีอยู่แล้วใครจะกราบไม่กราบไม่สำคัญไม่มีในเลิดยิ่งกว่าธรรมในใจของเราที่ประพฤติและสั่งสมอยู่ทุกวันนี้อันนี้เป็นของเลิอไม่สนใจกับใครจะมาสนาสับสนุนยิงยประการใดโรคธรรมแปดเป็นสมวัตของโลก สวนธรรมนี่เป็นสมวัติของสมณะเราได้เสียสนะโลกธรรมเปมาแล้วเข้ามาสั่งสมธรรมของเราให้นิบให้ดีจงขึ้นไปโดยลำดับเรื่องท่านก่าวไว้ตั้งแต่ก่อนว่าพระที่ท่านไล่เข้าไปอยู่ในป่าเห็นขณะที่บวชเสร็จแล้วว่า รูกมูลาลเสนาสนางนิสายปพัจชตัตตาเตยาวชีวังอุส า, าโหกะริยโยวันวชาวปสมวลดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าในเขาตามทำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลคชัดที่แจ้งดองฟางอับโรกราสอันเป็นที่สะอาดสะดวกสบายโล่งทงเพื่อประกอบความเพียรปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายขอให้เธอทั้งหลายอุสาอยู่ และบำเป็นในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ทุกวันนี้บวชพระวาจานี้ก็ติดอุบาชามาทุกคนอุบาชาไม่สอนทำบวชนี้ไม่ได้เป็นธรรมที่เคร่งครัดมากต้องถูกปลดอุบาชาไม่สอนอนุาสาตอันนี้แล้วอุบาชาไม่สมบูรณ์แบบอุบาชาปลอมถวงจนไม่ชอบขนาดไหนโอวาสข้อนี้ต้องสอ น, สอนตามอาวุธเยา้า ที่บังคับวัญจาไว้แล้วให้สอนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเห็นะแล้วไล่เขาในป่าในเขามันยาามอยากไล่เขาว่านหากระดูงูกระดูวัวกระดูกควายไล่เข้าหารดหาล่าบพากความเสริญเยือนรอปีนหน้าปีนหลังปีนลมปีนแรงอาธรรมมันไม่สนใจบวชเข้ามาปีนตั้งแต่หาโรกหาสงสารความสกปรกโสมมุม่้มส้มฐานฐานไปอย่างนั้นอาธรรมที่เลิศเลือมันไม่มองดูนี่แหละถ้าจิตใจต่ําแล้ว เอาผ้าเหลืองมาครอบสักร้อยผืนมันก็ต่ำอยู่งั้นเอาผ้าเหลืองครอบซ่วมครอบฐานครอบมูดครอบคูดมันก็ก็คือผ้าหอมูดห่อคูดไม่ได้เป็นผ้าหอเหลืองหอทองคํานะเราให้จะเป็นผ้าเหลืองหอมแบบหออะไรเวลานี่หออัดห่อทาหอศีลสมาธิปัญญาวิจารวิมุตหอมมรรคผลนิพพานหรือจะห่อความรู้ความโกรธราคาตัญหานั่นเละ พอทั้งเดียดสิ่งที่เป็นช่วงเป็นฐานที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้เสียสละเสียสละนั่นเลยแล้วคิดดูที่บรรดากษัตริย์ที่อยู่ในข้างกุฎิการออกสเสด็จออกทรงควนบวชนี้ไม่ว่าพระองค์ใดอยู่เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพอสละออกมาบวชแล้วไม่มองดูเลย สกุลกษัตริย์ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอะไรไม่สนใจมุ่งตั้งแต่อัดทำแต่มักผนิพานแล้วก็จนในสําเร็จผลว่าเป็นสารณงกัจจามิพวกเราคือสังขังสารณะกัจจามีคือท่านเหล่านี้เองท่านนักเสียสละเราวันนักสั่งสมมันจะเข้ากันได้ยังไงเพราะว่าของพูเจ้าก็ไม่มีความหมายมันไปนมีความหมายแต่กิเลสพ่อหอัวพระไุทธเจ้าหมดขอให้ท่านหลายจำํำเอาให้ดีทุกคนทุกคน พามาปฏิบัติอยู่ที่ไหนให้ตัวเองชุ่มเย็นเห็นดูที่เห็นใจประชาชนญาติโยมว่างที่เขาหวดไม่ได้แล้วหวดได้หรือตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนก็าเขาก็สร้า ง, งวัดสร้างวาขึ้นมาว่านอกว่านาที่ไหนเขาไม่ได้เบื่อหนอินทนาราใจกับพราเลยเขาถือเป็นหัวใจของเขาเองตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนเขาต้องสร้างวัดสร้างวัดเห็นเพราะอะไรเอาไว้กราบไหว้บูชาเป็นขอนตาขอนใจให้เป็นความอบอุ่น แก่ตัวเองอตื่นขึ้นมาได้ว่าพระเมื่อเช้าก็ได้ใส่บาตรจะเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อไหรก็ไปได้ไปแล้วมีความสงบร่มเย็นจากผ้าเหลืองจากกิริยามารยาจากการพูดการทําอาการพูดการจาเป็นอัดเป็นธรรมของท่านได้ธรรมะอันเย็นช่าเข้ามาสู่หัวใจไปในบ้านในเรือนก็มีความสงบร่มเย็นนี่พระให้ประโยชน์แก่โลกภูณยเกษ ต, ต่างโลกาสะ คือพระประเภทนี้เองพระเป็นเนื้อนาบุญของโลกใครเข้าไปเป็นเนื้อนาบุญออกมาจิตใจชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นนี่เราไปที่ไหนเราเห็นในบ้านไหนมีที่ไหนที่ว่าไม่มีวัดบรรดาชจ้าพูดเราไปที่ไหนมีวัดตังต้งนั้นตั้งนั้นอยู่ในป่าในเขาเขาก็มีวัดยิว่าอยู่ในบ้านในเมืองนี่เลยเราผู้เป็นพระเสด็จทำไมลืมเนื้อลืมตัวมันเสียขนาดไหน กับความมุ่งหมายของประชาชนที่เขาหวังพึ่งพระนะไอ้พระเนี่ยพึ่งตัวได้แล้วอย่างศีลเป็นยังไงศีล ส, สมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจะ ต, ตอบดว้วยพุดิมุตตหลุดพ้นวารโนี่พ่านมีวิแววบ้างหรือไม่ถ้ายังไม่มีวิแลววนี่เน่าแฟะนะไม่เกิดประโยชน์อเลยนะพระผ้าเหลืองคุมชีสายเฉยผ้าเหลืองเต็มตลาดเอามาจากที่ไหนก็ได้จะมาห่อหัวโลนหัวโลนโกนชี้อนี้จะโกเราจน หนังถลอกหมดยังเหลือแตะะ่เขายัางเหลือกะ็ะโกรกทีสามันก็ได้แต่มันไม่เป็นศีลเป็นธรรมไม่เป็นว่าผลนี่ผ่านขึ้นมาเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีษษษลธรรมอย่างแท้จริงนะให้พากันตั้งอกตั้งใจเวลานี้ทางพาคของเราเฉพาะอย่างยิ่งวงกาารรมสารเหล่านี้จะอดลงอดลงอ่ะนะมีครูวิาจารณ์ฉุดลากไว้ฉุดลากไว้ก็ยังพอทําเนาเฉพาะวัดกรรมฐ า, านนี้รู้สึกว่ามีมากอยู่ ในป่าในเขาทําอยู่ที่ไหนจะเพราะภาคอีสานได้มีมากกว่าทุกภาคเพราะอะไรก็เพราะต้นตออันสําคัญรากเง้าสําคัญก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาวระสิกประศาสธรรมะอันเลิศเลอให้แก่บรรดาลูกศิษย์ตรงหลายไวอ้อบรมประพฤติปฏิบัติตามแล้วสําเร็จเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งออกมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบว่าอยู่ทุกวันนี้เป็นใครไปว่ะถ้าไม่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาวล่าี่จะเป็นลูกศิษย์ของใคร เรากราบอาจารย์ตรงนั้นอาจารยร์มีแต่เพศน้าหนึ่งจากการอบรมของท่านมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้ล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นภาคยังมีมากอยู่ทางภาคอีสานเพราะต้นต้นลําใหญ่โรงงานใหญ่อยู่ที่นั่นแลแ้วแพร่กระจายไปทุกภาคนั่นแหละแต่ว่าต้นลําจริงๆอยู่ทางภาคอีสานเพราะฉะนั้นทางภาคอีสานจึงมากมีกรรมฐานมากเป็นเพราะเหตุอะไร เป็นเพราะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนมากพอประมาณที่อื่นๆไม่ค่อยมีนนะคือพระกรรมฐานนี้มุ่งหาครูหาอาจารย์เท่านั้นเห็นเมื่อมีครูเงียอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านจะด้นด้านเข้าไปเลยไม่เห็นว่าความลํำบากยากเย็นเฉนใจครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านจะบึกบึนเข้าไปหาเพื่ออาจเพื่อทําให้เป็นความร่มเย็นแต่ทาง จ, จิตใจนั่น เพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงมีมากดูในสถานที่มีครูบาอาจารย์ให้อ่าะให้ทําได้เป็นอย่างดีไม่มีอยู่ในที่ไม่มีอะดมีทำถ้าไม่มีมีทําอยู่ที่ไหนก็เป็นร้อยๆกันอย่างนั้นน่ะดีไม่ดีวัดก็เลยเป็นเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วพระก็เลยกลายเป็นมูดเป็นกูดในช่วมในฐานไปหมดใครจะเข้าไปกราบวัดหนึ่งหนึ่งวัดเป็นสถานที่อยู่ของผู้บำเพ็ญศีลธรรมเป็นผู้มีกายวาจันสงบ โตเองเป็นผู้สงบแล้วใครไปเจอเขาก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนีนอนกลางคืนก็นอนด้วยหน้าชื่นตาบานนะมีครูบาอาจารย์มีพาท่านผู้มีศีมีจําไปให้กราบหไหว้มันเย็นไปในหัวใจนี่อ่ะเป็นอย่างนั้นนะทำนี้ให้ความร่มเย็นได้มากเพราะฉะนั้นการสังวาสสังวาของวระชาชนทั้งหลายจึงมีอยู่ทั่วไป แต่พระเราที่อยู่ในวัดในว่าอย่าให้เป็นสร้างสวมสร้างฐานนะสร้างสวมสร้างฐานพระไปบรรจุในนั้นก็เป็นมู่เป็นคู่เต็มวัดเต็มวาให้เขาเหมือนนายทั่วประเทศไทยดูไม่ได้นะพระเรานะขอให้พากันชิดไทยรีอยู่กับเขาไม่ได้ทาไรทานาซื้อถูกขายแพงอะไรก็ตามไม่มีอืเขาค้นขวายให้หมดจะพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ปุญผลใครจะเกินพระว่ะอืมอืม จะกินจัไห่กินให้ตายก็ได้ใช้สอยกัมวันกันเครื่องบำรุงรักษาเต็มหมดกุฏิจะสร้างให้หลังสวยๆงามๆหอปราสาทบนสวสรรค์ยังจะสู้ไปได้ถ้าจะเอาตามที่เขาขอนะแต่ท่านผู้เป็นธรรมแล้วไม่มีเ ล, เลยเลิศเลยยิ่งกว่าทำนั่นท่านเอาตรงนั้นนะรทำอยู่ที่ไหนอยู่ได้ในตมนไม้ชายเขาอยู่ได้ทำไม่อยู่ความเลิศเลยไม่อยู่ที่นั่นนั่น ท่ารเอาโจ่งนั้นนะที่ไหนอยู่ได้หมดขอให้มีธรรมในใจสบายไป็นหมดอดบ้างอิ่มบ้างไว้สําคัญทำนี่พาให้อิ่มตลอดเวลานี่ราขาดทาได้ไปยังไงสร้างกี่ตึกกี่ล้านกี่ชั้นมันก็ไปควนทางอยู่เหมือนคนไข้ที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลตึกชั้นสูงขนาดไหนก็ตามเอาขึ้นไปไว้ควนทางอยู่นั้นเออเหมือนเสือถูกปืนนี่ไปยังไงมาจะไปยัง ไ, ไงไก็มั น, ม, น, ม, นมันไม่เป็นถุกอยู่ที่โรงพยาบาลตึกสูงสูง น, นะ วันเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่โรงยาบาลชันสุงวันเป็นทุกข์อยู่ที่ตัวบุคคลคนไปอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นนั่นาหาจากโรคแล้วอยู่ไหนมันก็อยู่ได้สบายเราสร้างความสุขให้มีในใจของเราอยู่ในป่าเขาลํำนาใครดังพระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นยังไงอืมก็ลูกมูร์เสนาสนางังจืดชืดไปหมดแล้วเหรอ หรือมีตั้งแต่ตลาด ก, กระดูหมูกระดูกวัหรือเป็นบอ่อแห่งว่าผลนิพพานของพระสมัยปัจจุบันนี้นะ่ะนันเป็นยังไงโยศลาเสนเสริญย อ, ยอเป็นบ้าอยู่นี่เหรอนี่เป็นมักเป็นผลของพระสมัยปัจจุบันหรือเราเป็นพระสมัยไหนให้ตื่นตัวนะถ้าไม่ตื่นตัวจะจมไปนะแล้วไม่ทราบว่าใครดีใครดีเห็นแต่พาเหลืองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ของดีของดีที่จะมีผู้ส่งไว้ด้วยศีลด้วยธรรม การประพฤ ด, ดีประพฤติชอบมันจะไม่มีในเวลานั้นให้สร้างตัวเองใครไม่สร้างให้เราสร้างตัวเองอยู่ในใจของเราอยู่ที่ไหนก็นดีหมดถ้ดเราตั้งใจสร้างตัวของเราให้ดีนี่เราทอยู่ที่นี่ทำไม่ได้จืดได้ชืดทําว่าเป็นมัตติ ม, มาตลอดอยู่ในท่ามกลางหัวใจของโลกผู้มีความสนใจประพฤตปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนว่ามัตติ ม, มามัตติ ม, มาอยู่ท่ามกลางหัวใจของสัตว์โลก ผู้ใดมีความเคารพเรื่องใจเอาขนขวยก็มาความดีงามเช่นผ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระโดยสมบูรณ์อย่าให้เป็นผ้าขาดบาทขาดตาแต่งพระสามสิบตังค์พระยี่สิบตังค์พระห้าสิบตังค์หกสิบตังค์มึงมีมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีพระเต็มบาทนะมันมีแต่พระสองกระหลือเป็นอย่างมากนะเราอย่างสองกระหลืออย่างหนึ่งมีแต่พระเหลืองไม่มีพระในหัวใจเลยไม่มีสีมีตำให้กิเลสตันหา คืนเอาไปหมดไม่มีเหลือมันเป็นยังไงพาเราถูกศิรษาคนถึงให้ถูกไอิเจตนาหาคืนอหมดมันไมาน่าสะโลสังเวสหรือพวกเราเป็นไงนั่งอยู่เวลานี้นะฟังเทศฟังธรรมนี่ตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้เข้าพรรษาเข้าพรรษาคืออยู่ในขอบเขตแยปฏิบัติศีลธรรมไม่ไปกังวลกับสิ่งใดละในในสามเดือนนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนา แต่ก่อนจริงๆท่านก็ไม่มีการเข้าพรรษ า, าแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนจากทางประชาชนญาติโยมเขาโดยที่พระท่านก็ไปตั้มภาษาของท่านนั่นแหละไปที่ไหนท่านก็ไปคันตาคันแช่คัน น, นาเขาท่านก็เหยียบย่ําไปบ้างก็ท่านมีเท้าจใจเหยียบได้ไงเจ้าหมามันก็เหยียบเหยียบคันนาเขานั้นพระก็เป็นคนท่านก็มีเท้าท่านก็เหยียบหรือคนเขาเดือดร้อนเขาว่าถึงเวลาทําไร่ทํา อันทั้งเขาอ่าวันถึงควรจะอยู่แล้วไม่อยู่พระไปหาเดินนู่นเดินนี้เหยียบกันไล่คันนาเขาแหลกเดียวไปหมดเขาก็ร้องถูกวังโบนกันอื้ออ่าอเรื่องรากระเทือนถึงพระพุทธเจ้าว่พาพระไปหากวนว่านกวนเมืองเขาเหยียบกันไล่คันนาเขาเลยจํากัดจําเสียวเวลาเขาทําไร่ทนานาในระยะสามเดือนนี้ให้พระจำพรรษาจะไปเที่ยวเพ่นป่านที่อื่น ให้เหยียบให้เหยียบทางจงกรมเจ้าของอย่าไปหาเหยียบกันได้คันนาเขาเหยียบทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวให้ดูที่นะ่ะแล้วประชาชนเขาจะมาร้องถูกไหมทางจงกรมเขาว่าฟ้องกครฟ้องนะถ้าหาว่าเขาว่าฟ้องแล้วเราจะพาไปฉูนพระพุทธเจา้าว่าพระองค์พระเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกก็มี เราจะทางจะรวมเป็นเหวด้วยก็มีสติสตางไม่เห็นได้มาผลนิพพานไปเหยียบแต่คันไร่คันนาเขาอย่างนั้นแล้วก็ไปฟ้งองครูดีเจ้าจะพาไปเองคันไล่คันนาเขาแหลกหมดแต่กิเลสตัณหาในใจไม่แหลกมีแต่ส่งเสริมขึ้นทุกวันทุกวันมันน่าดูไว้พระเราเนะอืยสิ่งที่มันส่งเสริมขึ้นทุกวันคือมู้คือคู่พวกราบโยนเสริญย่อเป็นบ้าไปหมดเวลานี้ผู้ใหญ่ส่วนใหญยิ่งเป็นบ้าหนักนะ ทุกวันเราอยากเข้าใจว่าผู้ใหญ่จะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้น้อยนะเห็นต่อหน้าต่อ ต, อตากระเถือนกันทั่วประเทศไทยเราเอายศในราดบสูงว่านั้นไหนออกนอกรูนอกทางไม่มีแบบมีฉบับเอาขิเหร่ตัญหาเอายศถาว่าศักส์บว่าๆ น, นั่นเลยเข้ามาปกของตนเองเข้า่าติดหัวตนเองดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีงอนข้าเป็นข้าเป็นสมูข้าเป็นปดิกา ข้าเป็นประหลาดข้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณข้าเป็นสมเด็จเป็นไหนก็เป็นเถอะน่ะจักรีเดชมันจะกลัวเขาย่งไรมันขี้ลถพวกนี้แหละพวกที่ยอดตุงสูงนี่แหละมันขี้ลถตัวนี้คือชอบมันมันก็ขี่รถเออสิสูงทอะไรยิ่งชอบมันก็ยิ่งสนุกขี่อห่างนีมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ของดีหรือสิ่งเหล่านี้พระบุรีเจ้าสอนให้สลัดปฏิ้นทั้งหมดไม่มีอะไรแลิวยิ่งกว่าธทม ถ้าลงทำในใจมีแล้วตั้งไม่ตั้งอย่ามาสนใจไม่สนใจพุทธโธตมโมสังโฆเป็นแท่งเดียวกันในใจอยู่ในหัวใจนี้เต็มจัดเต็มส่วนแล้วนี่ละคาความเลิศอยู่ในหัวใจนะไม่อยู่ที่อื่นที่ใดอย่าพากันเป็นบ้านนะไปที่ไหนให้อย่าลืมพุทธโธตมโมสังโฆภายในใจพระก็อยู่ให้ตามตามขั้นภูมิของตนอยู่ในขั้นบุริกรรมเอาอยู่ให้ ให้จริงให้จังสติติดแนบอย่าเผลอสมาสม า, าสมาธิปัญญาขึ้นหาว่าถุนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาสตากลความเพียรนี้ไปได้เลยผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ตั้งรากฐานตั้งตนขึ้นภายในใจโดยไม่ต้องให้ใครมายกยอป่อปั้นว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ขอให้เป็นชั้นภายในใจของตัวเองที่ขาดสัมปันธไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้สิ้นจุดแล้ว เรื่องค่าศึกกันใหญ่หลวงคือค่าศึกของกิริย ต, ตัวสร้างวัตจักในหัวใจวันนี้วิริยะทั้งหลายได้ผ่านลงไปแล้วเหลือแต่ความเบื่สุดนี่หูจิตตังพรมจัดียังกตังกรณียังเอ่อพรมจรรันคือการสร้างการลบราค่าันกับกิริยตัณหาตัวเป็นว่าหาภัยและอำนาจใหญ่หลวงนี้ได้ขาดจะวันนลงไปแล้วนั่น นี่เราู้จิตต่างความวอย่างกิจการตั้งหลายจึงสิ้นเสร็จลงในขณะนั้นกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วควรทำก็คือการฆ่ากิเลสได้ทำไปแล้วคิดอื่นที่ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่เหมืนั่นนั่นแหละเป็นสาระของพวกเราท่านทำจนสิ้นสิ้นเสร็จทำงานทางธรรมนี้สิ้นเสร็จได้งานทางโลกไม่มีสิ้นเสร็จทำเท่าไรยิ่งเป็นบ้าเข้าไป ถ้าทำพออยู่พอกินธรรมดาค่อนชั่วอันนี้มันแช่แอมมันชิงกันทีชิงว่าชิงดีชิงเด็ดมันชิงดีชิงว่ากันเอได้สละไม่พอได้สละไม่พอได้สละ ย, ยิ่งโลกจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าๆของกองเป็นเท่าหู่เขา ว, ว่าเป็นตมวัดมันก็มีแต่ชื่อเจ้าของประจุแนวโลกโดยไม่เคยสนใจในธรรมเวลามีชีวิตอยู่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นวัตถุต่างๆอันนั้นดีอันนี้ดี เขามายกยอนนิดหน่อยก อ, อคนนี้เขามาั่งเขามีนะ เ, ออเขามียอดถาวนาาันลสากนะเป็นบ้ากับเขาเจ้าของก็เป็นบ้าไปเลยๆตายแล้วจงไปเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาให้ดีนะออนักปฏิบัติทั้งคารวาทผู้มีกิเดชอยู่เต็มตัวเป็นผู้ถูกย่ายีสีไฟถูกสรมานเหมือนกันให้อนำอุบายของทําไปแก้ไม่งั้นไม่ตกนะอะไรที่ควรจะพออยู่พอกินพอก็ให้มีพอบ้างนะ ถ้าพูดอย่างนี้มันกระเถือนโลกเถื่อนกิเลสเขาเราจึงไม่เคยพูดนะมองไปตำหูตำตาสโลตจังเวธก็ดูป้าอย่างนั้นนะเอสร้างนี้แล้วนึกว่าจะพอมันไม่พอนะคราวนี้ขึ้นอันนี้นะ่ะขึ้นอันนั้นนีู่จนตายทิ้งเปล่าๆมันน่าสโลตจังเมธนี่กนะิเลสรอกคนรอไม่รู้เนื้อรู้ตัวรอจนวันตายถ้าไม่มีธรรมก็ไปแทรกไม่ไม่มีวันมีความสุขใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตาม ถ้าไม่มีทำแล้วต้องบริการทางนั้นนะไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีหลักมีเกนไม่มีที่พึ่งพิงอิงอาศัยได้เลยถ้าไม่มีทำอาศัยสิ่งของนี้ตายแล้วก็หมดหมดค่าเขาจะเผาไม่เผาหรือจะปล่อยทิ้งไปเมื่วันตอมอยู่หึงหมันก็ได้อยากอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรสมัยเงินทองก็ของมีว่ามีน้อยเกิดประโยชน์อะไรก็เสกสรรกันยอกันไปอย่างนั้นพอมีชีวิตอยู่นี่ส่วนพอตายแล้วก็หมดข้า ถ้าไม่มีทำในใจไม่มีเงื่อนต่อนะขาดสะบั้นไปเลยสมบัติภายนอกที่เราได้มาเป็นสมบัติของเราเล่าพูดม า, ดาในจำเลยให้รู้ภายนอกภายใ น, ในเท่านั้นเองอือ응รู้ว่าความพอดีพอดีให้มีบ้างกิเลสนะมันไม่เคยมีอไอความพอดีพอดีน้ํำลนฟังอ응ืน้ํากิเลสตัณหานี้โล้นไปเลยนะอืท응่านบอกวันที่ตัณหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มี คือแม่น้ำหาสมุทรทเลมันมีฝั่งแตแ่แม่น้ำแห่งตันหานี้ไม่มีฝั่งท่วมไปได้หมดเลยอันนี้แม่น้ำคือตันหาความอยากความหิหวโยไม่มีวงพออันนี้จมไปเลยถ้าไม่มีอาจมีทำไปในใจยับยั้งตัวไม่ได้นะถ้ามีอาจมีทำยับยั้งได้ดังที่ทำสุดยอดที่ท่านแสดงทันที่แสดงมาตะกี้นี้ว่าบุษิตังพระมจริยัง ท่านทํางานมาตั้งแต่ล่มลุกคูการเจ้าสาโรมาณนขาต่างๆตะโจมาเอากันจนเต็มเหนี่ยวเมจนถึงขั้นนี้แล้วอูติตังวระว่าจะยังงานสิ้นเสร็จแล้วนั่นเห็นไหมอูติตังพระวจังพระวจย์ได้อยู่จบแล้วงานในวัดตะวันทั้งหลายนี้วิวัฒนาจักตีขาดสะ บ, บ้าไปหมดแล้วไม่มีงานอะไรเหลื อ, อนั่นแหละถึงแล้วพระนิพานไม่ต้องทําอะไรที่นิพานนิพานคือเที่ยงที่สุด หรือธรรมธาตุอยู่กับท่านผู้สาเร็จงานการค่ากิเลสให้ขาดสว่านไปจากใจไม่มีอะไรเข้ามากีดขวางกีดใจยังขอให้ท่านต่างหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะพาพรานเราภาวนี้ตั้งใจมาพื้ปฏิบัติมองอย่ามองตั้งแต่สิ่งภายนอกอย่าเป็นว่ากับโลกกับสงสารเขานะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันเป็นโลกเป็นมล้นะท่ากรรมฐ า, ารเหล่านี้ให้มองหัวใจดูเองสิมันเผลอหรือไม่เผลอกิเลสเขาเหยียบย่ํำสัมไรหัวใจเป็นฟื้นเป็นไฟ น, น, น, น, น, นั้นนะ คือค่าสึกหรือคืออะไรหรือมหาคุณหรือนั่นดูตอนนั้นเดียสติจับเข้าไปมันก็รู้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิเป็นหน้าที่ของเราภาวน า, าการชําระกิเลสเป็นหน้าที่ของพระโดยโกงมันหายไปหมดจากพระกรรมาฐานเราแล้วมันหายไปไหนหายไปหากิเลสตัวเป็นบ้ากับโรกกับหลงใหลกับนั่นแหละให้รู้เนือ้อรู้ตัวนะตั้งอกตั้งใจนะเดี๋ยวนี้จิตมันเป็นโรคไปหมดแล้วนะมันไม่ได้เป็นเป็ น, ป น, ปนธรรมเป็นกรรมาฐานนะ ไปที่ไหนทางยกรมันจะไม่มีแลนเวลานี้มันจะมีแต่ทางเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าตลาดล่านเลงเข้าเสาแสวงหานั้นหานี่เข้ากวนบ้านกวนเมืองกปแลน่ะทางของพระน่ะทางโยกโมของพระจะไม่มีทางโยกโกรมคือทางแก้ขี้เพื่อความสงบลมเย็นมันไม่มีแล้วนั้นเลยจะไม่มีมีบ้างกว่านี้นิดหน่อยทางกวนบ้านกวนเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เขามองเห็นพระเขาไม่อยากดูพระน่ะ ออกมาแล้วเนี่ยจะมาขอห้าขอสิบขอร้อยคือพันมันพอเผ็นอะไรก็เผ็ด น, นี้เลยเขาเบื่อปะ่ะแต่เขาไม่กล้าพูดเขากลัวบาปตัวเราให้รู้ว้างนะเราเนี่คือตัวเปรตตัวผีรบกวนชาวบ้านมาเมืองไม่รู้จักประมาณพอเห็นหน้ากันอาตมาเมออกําลังสร้างนั่นนาโยมกำลังสร้างนี่ น, น, น, นี่เราอยากจะพูดให้เต็มยันให้ถึงจิเด็ดตัวมันหยาบหยาบนี่สร้างหาพ่อหาแม่มึงอะไรมะพูดให้เจ้าไม่พาสร้างอืม สิ่งเหล่านี้นะสร้างมากสร้างผลสิ่งสมาธิปัญญานี่ตัางหาว่าอย่างนี้ไม่อยากพูดน้ําหนักให้เท่ากันให้ถึงกันเราไม่ได้หมายถึงนะส่วนหยาบหมายถึงน้ําหนักให้มันถึงกันไม่างนั้นมันไม่ถึงเอาลงไปนะที่ะห่าจิเลลจิเล็หนักเราต้องหนักความเพียรต้องหนักเฟดกันลงหมัดหนึ่งไม่พอสองหมัดตีเข้าไปเอจิเล็มันหงายมา้าดีเห็นลองไปไหนเห็นแต่ผ้าหงายมหาหงายลงเสือ้อลงมอ รับข้อข้อแก้ แ, แ, แ้ไม่มีเฉพาะไงหมาไงากับธรรมไม่มีนะเอาละการเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่าธาตุแก่ขันแก่การเวลาท่านท่าพากันตั้งอกตั้งใจวันนี้เป็นวันข้าววันาให้ตั้งอกตั้งใจนะว่าจะจบยังจบไม่ได้เรื่องยังมีอมืการทําข้อวัดปฏิบัตินี่ในพรรษานี่วินตวาดรับเฉพาะของในบาทอพอเอาถึงเขตวัดแล้วก็ลดเนี่ยสุดงก้อนี้ งดเขารับวิญญาทิที่เขามาใส่นอกเขตนอกแดนถึงเขตแดนแล้วหยุดนี่แหละแล้วฉันมือเดียวก็เอาชันมือเดียวอยู่แล้วให้ฉันในบาทให้ในบาทอย่าให้ได้เห็นนะแล้วไปในวัดในวาไปที่ต่างๆเห็นพระกรรมฐ า, านเราไปร่วมฉันในกันนี่ดูจริงนะดูคนดูพระนั่นแหะมากนะประชาชนไม่ต้องดูมันก็รู้แล้วทีนี้ดูพระอีก เระจ้าวออย่างยิ่งภาพวกกรรมฐานเราไปยังไงไปดูการโขบ ก, การฉันไปยังไงตาสอดแทรกดูหมดใครไม่รู้ว่าดู น, นั่นเนี่ยดูจนตับมึนให้มันชัดจมมังหวะนี้เปิดจังหวังนะพวกภาพเรานี่ไปบินธะวัรมาขบมาฉันเป็นบ้ากับลิ้นกับปากกับท้องกับอาหารการกินลืมทําไปหมดในกิยาการของการโขบ ก, การฉันจนเกิดความเสล่อมสเวยมันเป็นบ้าขนาดนี้เชวหลือดภาพนี่เห็นใจลิ้นใจปาก เห็นแก่ท้องเห็นแก่อาหารการกินยิ่งกว่าทำดูรักษาในเวลานั้นไม่มองดูทําเลยมีมองดูตั้งแต่อาหารการกินสลุดจังเวชนะฉันลงไปก็เอาช้อนฟาดลงไปฉันลงไปเป็นแบบขุนนางเข้าอีกนะชันในบาดนี้นยังไรแล้วเอาช้อนตักในบาตซดก็ยิ่งหนักเข้าไปสลดจังเวชนะแต่มาฐานฉันช้อนในบาตมันดูได้หรือนี่ขอให้พูดให้ฟังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พูดเราฝังกึก ใจเราตั้งแต่บันนั้นจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยจันจรอนนะนอกจากเวลาเท่าแก่จะรามา น, นี้ก็ทำไปบ้างอย่างที่เราขอร้องพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ทําให้บ้างฮนะแต่ข้าใหญ่ปราหนีท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านตักตัวกันมาเต็มหัวใจเป็นมาคนนี้ผ่านล้นโลกแล้วอืมท่านพูดได้บ้างว่าพากรรมฐ า, านเหล่านี้นะ่ะท่านว่างั้นนะท่านสอนผานนะเวลาฉันจังหานนี่ฉันในบาน ขอให้รู้ให้เห็นความเป็นภัยอย่าเห็นตั้งแต่อาหารนั้นดีอาหารนี้ดีตะกะตะกรามใช้ไม่ได้จันว า, างี้นะฉันในบาทก็ให้ฉันด้วยสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของทอย่าไปเห็นคุณตั้งแต่อาหารการกินนั่นมันคือโทษคือความนอนใจแล้วก็การฉันในบาทยังเอาช้อนตักในบาทฉันซดก็ก็เขาอยู่างนี้ โอ้เราเป็นแล้วท่านว่างันนะมันจะถือนใจจะกลองพระธรรมกันว่างั้นนะภาวนาอยู่นะเวลาไปฉันในบาทก็เห็นเพื่อนฝูงฉันสดในบาทมดตําตาเราสะดุดหัวใจแล้วเออฉันนี้ก็ฉันพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปไม่ได้ฝังเพื่อนฉันเพื่อยศเพื่อลาพวกเขวานเสำรวยเดินยอแบบโลกๆล่ะฉันโก้ฉันเจ๊อย่างนั้น ฉันพ อ, อยังอัตภาพไม่เป็นไปแล้วจํำปเป็นอะไรจะต้องเอาช้อนไปตักลงในบาตรรวมในบาตพิจารณาดูของวัตถุกูลนั่นแหละเราจะหาช้อนมาประดับอะไรอีกเห็นพระท่านฉันช้อนในี่โซดก็ก็กโกพระกระมาฐานเหล่านี้ลืมตัวขนาดไหนนี่ท่านไปเห็นแล้วฉันบอกสรดสั่งเวทฉันว่ า, าท่านไม่เคยฉันเลยนะ่ะนเห็นไหมล่ะแล้วก็ดูตั้งแต่ไปอยู่ที่แรกท่านไม่เห็นท่านฉันช้อนเลยแล้ว ออแล้วพอท่านว่างนั้นถึงหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาไม่เอาฉันช้อนในบาดสดโก้โก้โก้โ ก, โ ก, โก้ให้ท่านหลายจําวันนะเอการพูดวันนี้พูดสอนคนนะให้เอาให้มันหนักกว่านี้ไม่ใช่สู้พูดสอนหมานะพระเราผู้สอนก็ไม่ใช่หมาผู้ฟังก็เป็นคนเป็นพระไม่ใช่หมาคนสอนคนพระสอนพระขอให้ฟังอรธรรมของพระเจ้าที่นํามาสอน ทำนี่เป็นธรรมที่คู่ควรแก่เราผู้เป็นนววดเพื่อมรกุนิพานจะฟังให้ถึงใจนำไปพฤ้ปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจเอามรฟุนิพานตักตัวกัามรฟุนิพานเข้าสู่ใจไปที่ไหนโลกวิถีรู้แจ้งโลกหมดเลยนี่เข้าใจเด้อเอานะวันนี้เทศวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาบรรดาประชาชนทั้งหลายก็มาฟังเทศกันมากวันนี้ให้นาไปพฤปฏิบัตินะ แท้สอนพราสอนคกลคนมีกิเลสถูกเหยียบยี่สีไฟจากกิเลสด้วยกันเอาอาวุธคือทรรมนี้ไปนำไปแก้ไขแต่แปลงตนเองนะเราจะได้มีความสุขความจเจริญตามขั้นตามภูมิของเราและการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรจากการเวลาขอขอมสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเธอโอ้เมือเม่อยเมื่อยอะเตะไปเตะมมันมันเนนคนเลยมันก็เลยเหนื่อย นี่ธรรมายังไม่พอนะในวันนี้แต่ธาตุขันมันไม่อำลวยแล้วธาตุขันอดอลงจะไปมเมื่อไแล้วอยุดธรรมาที่จะมาสอนนี้ยังไม่ทั่วถึงสมให้สมกับว่านานๆมาประชุมตีหนึ่งแล้วธาตุขันมันไม่อาํานวยสิ <c oughs> โอรไรกาได้เท่าไหร่ได้ทุ่งกว่าทุกมสิบนาทีเท่านี้ตานเท่าไหร่ใครดูรายการบ้าไว้เท่า เนึ่ชั่วโมงหนาทีเออเป็นประวัติการได้แล้วนะหลวงตาบัวเทศข่าวนี้นานว่าได้ชั่วโมงห้านาทีอเขียนประวัติการไว้เลยไม่กคยได้ยอย่อสักทีเลยนะแทศได้ถึงชั่วโมงห้านาทีโอ้เก่งมากนะ <c oughs> ได้ชั่วโมงห้านาทีแล้วว่าเก่งมากวันนี้ทเทศเล่งจะเลยนะ มันก็น่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยจะทตัคำว่าเราไวยไม่ได้แลย ว, วันนี้เป็นยังไง พ, พอได้บ้างวันนี้